จริงพระอาจารย์ก็บรรยายถ้าจะรอบคุณหตุแล้วม่หรือท่านไม่ต้องแต่งถามเลยจำมาครับคิดว่อาจารย์บัญญายหมูหนตั้งใจมาถามว่าเหมือนเหมือนการทำหนศงสือเนี่ยเมื่อทําออกมาทำให้คนเข้าเห็นว่าการใดเนี่ยจะเป็นเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาชนอย่างไรเปลี่ยนแปลงชีวิตคนจริงๆคือตรงนี้ถามประเด็นอย่างนี้ก็สรุปอีกนิดหน่อยก็ได้ว่าถามว่า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 อยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามูสัตว์ทั้งหลายเขาเป็นธาตุของอะไรเป็นธาตุของความรู้สึกคือเรียกสัญชาตญาณเช่นตัณหาความทยานอยากความอยากได้ติดใจไยกสารความร่าดลนในสีเสียงกินรสผลิตัณฑ์อันน่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข่พาใจใกําหนัดมูสัตว์ทั้งหลายก็ถูกตัวเนี้ยเป็นตัวครอบงําชักพานําพา ศาตร์ทั้งหลายก็ตอบสนองตัณหาคือความต้องการความประยานอยากในใช้ตนเองดิ้นรนกระเสือกกระสนต่อสู้กันมาโอ้โหตั้งแต่เกิดยันตายรุ่นแล้วรุ่นเราอัตภาพแล้วอัตภาพเราก็ถูกตัณหาครอบงำประการที่2ก็คือมานะมานะศัพท์นี่แปลว่าเยื่อยิ่งถือตัวยกตนชูตนเปรียบเทียบตนไม่ใช่แปลว่าขยันอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะมันความผิดด้านภาษานี่แหละ มานะก็คือการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนถามว่ามนุษย์เนี่ยที่ทยานอยากต้องการเอาสิ่งเสพทั้งหลายเหล่านี้มาปนเปืออะไรปนเปื้อตนต้องการทําให้ตนเด่นขึ้นดีขึ้นได้รับการยอมรับไม่ไม่ต้องการปราถนาตนเองด้อยตนเองผิดหวังต้องการให้ตัวเองสมปราถนาสมหวังอยากให้ตันเองเด่นจึงต้องทําทุกวิถีตทางในการที่จะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนประการต่อมาคือทิฏฐิ ก็คือความเห็นทัศนคติอัตลักษณ์ที่ตนเองยึดถือไว้ว่าจะต้องอย่างนี้เท่านั้นเป็นต้นเหล่านี้เราก็จะถูกไอตัวเนี้ยทั้งตัณหามานาทิฐิไอ้กิเลส3ตัวเป็นกลุ่มใหญ่นี่แหละชักพาครอบงําทําให้กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเราจะบอกว่านี่ไงหมูส่สัตว์ทั้งหลายถูกกิเลสเหล่านี้ชักพานําพาทําให้ดิ้นรนกระเสือกกระสนแสดปก็คือเป็นทาสของอะไร 1. ตัณหา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 ก็คือทําให้คนมาเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาได้แทนที่จะเอาตัณหามาหนาณทิฏฐิมาเป็นหลักดําเนินชีวิตก็มาเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นหลักดําเนินชีวิตแทนตัณหามาหนาณทิฏฐิศีลเขากาจัดอะไรศีลกําจัดมานะคนที่ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยเพราะว่ากระแสะชีวิตไม่อ่อนโยนไปตามศีลทีนี้ตัวสมาธิกําจัดอะไรสมาธิเคยกําจัด ตัณหาคือความทยานอยากความดิ้นรนความบ้าร่านรนกระเสือกสนเพราะความไม่ตั้งมั่นแห่งจิตความที่จิตไม่มีพลังก็ถูกตัณหาความอยากชักจูงไปและปัญญากําจัดอะไรกําจัดความเห็นผิดเขาเรียกว่าทิฏฐิคือทัศนคติที่วิปริตผิดเพี้ยนที่มียึดอัตลักษณ์ยึดอัตตาตัวตนอย่างรุนแรงทั้งหลายเหล่านี้ปัญญาก็ไปจัดการฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายถูกอะไรตัณหามนตทิฏฐิครอบงําและก็บงการอยู่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 อัตรักษ์ยึดความเห็นยึดวัฒนธรรมประเพณีอย่างพิษพิษเราถูกไอ้ตันหาสามตัวเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยครอบงำแล้วก็บงการชักพาเราเป็นทาสเขาอยู่พระเจ้าก็เลยชวนบอกว่าเธออยากจะเป็นอิสระเสรีภาพไหมถ้าอยากจะเป็นเข้ามาถึงพระราชนตรัยมาถึงพระราชนตรัยดำเนินชีวิตไปตามศีลกจัดตันกจัดมานาเสีย เข้าถึงสมาธิกาจัดตัณหาได้เข้าถึงปัญญาก็กาจัดความเห็นผิดได้ชีวิตเธอก็ปลอดภัยเป็นอิสระเสรีภาพนี่คือสิ่งที่เธอจะได้พอมองเห็นนะ